ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนคนใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสารวกและถือเอาเป็นที่พึง่งและเห็นแจ้งซึ่งอริยาสัจสี่ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องกล่าวคือเห็นแจ้งซึ่งทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยามรรคมีองค์แปอันเป็นทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ สิ่งนี้แลาเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะคนใดได้อาศัยสิ่งนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้